สังโฆสังโฆสังโฆนี้หมายถึงหมู่จำฝังหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนก็ เ, เรียกว่าสาวกสังโฆคือหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของใครถ้าเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคก็ เ, เรียกว่าภควะโตสาวกสังโฆแล้วก็ไม่ใช่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 จดจ่อตั้งมั่นในการที่จะทําจริงแน่แน่จริงตรงนี้ท้งมดฟังเขาเรียกว่าสังโคสังโคนี้บุคคลที่ทําเป็นตัวอย่างทําให้เห็นแล้วนั่นคือพุทโธพุทโธเป็นผู้ที่ทําตัวอย่างของสังโคแต่นะจริงๆแล้วพุทโธเนี่ยไม่ใช่เป็นสังโคนะคือพุทโธเนี่ยมีคนเดียวมีรูปเดียวแต่ทรงนี้เป็นหมู่ทรงแปลว่าหมู่แต่พุทโธเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติ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 ตั้งแต่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นนั่นะก็มีสงครามในสมัยนั้นหนะลังจากพระพุทธเจ้าบันที่พานก็มีสงครามตรงนั้นมีสงครามตรงนี้แต่นะพอมีสงครามเกิดขึ้นสักครั้งใดครั้งหนึ่งไม่ว่าที่ไหนทั้งหมดเลยมันจะมีการเบียดเบียนมีการแข่งแย่งมีการกระทํำที่ไม่ใช่ธรรมะเกิดขึ้นนะก็ต้องมีบุคคลที่คอยรักษาคําสอนนีเไวนะ้บันทึกเก็บเป็นตัว อ, อ, กอักษรตัวหนังสือเก็บไว้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 สอนออกบอกออกเจือจากการกระทำของพระองค์กำหนดเป็นบทเพียนชนะออกมาเรียกว่าธรรมโมมีการธรรมโมทำจริงแน่แน่จริงแล้วหลายๆคนทำเข้าทาเข้าเป็นหมู่เป็นสังโคเป็นกลุ่มของบุคคลที่ปฏิบัติดีแล้วการปฏิบัตินี่แหละต้องระวังจึงเป็นการรักษาคาสอนของพระพุทธเจ้าบุคคลที่หวังคุณอันใหญ่เคารพในคาสอนของพุท ธ, ธก็ประพฤติตามธรรมนี่แหละประพฤติตามธรรม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 เปิดไว้แล้วแก่บุคคลเหล่านั้นสัตว์เหล่าใดมีส่วนประสาทสัตว์เหล่านั้นจงปรงศรัท ธ, ธาลงไปเทิดที่ประตูสุนิพานอันเป็นธรมตะคําว่าปรงศรัท ธ, ธาลงไปนั้นก็คือการปฏิบัตินั่นเองจิตใจให้มีศรัท ธ, ธาเอาศรัท ธ, ธามาทรงไว้ในใจมีการปฏิบัติมันดีตรงนี้นี่จะเป็นการที่จะสามารถรักษาคําสอนที่ดีที่เป็นสวักขาโตภควตาธโมนี้ได้ และนั่นก็จะเป็นการปฏิบัติตามอารหังสัมมาสัมพุโทโธคือพุโทโตคือรพระพุทธเจ้านี่แหละที่เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองที่ปฏิบัติดีแล้วนั่นแหละเอาตัวอย่างการทําการปฏิบัติของสัมมาสัมพุโทโธซึ่งเป็นธรรมโมเนี่ยมาส่งไว้ในใจของเราเราก็จะเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนที่ปฏิบัติดีแน่นอนบุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้แหละตั้งมัง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 ก็จะขี้เกียจไม่สนใจเกี่ยงการงานนะชิ่งให้คุณหนึ่งเขาทำหรือว่าหนีไปนอนเสียแต่คนที่เป็นหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนที่ปฏิบัติดีแล้วเขาจะพอใจในการทํามีความขยันขันแข็งมีก้นเบานะจะลุกจะนั่งรงต่างๆคล่องแคล่วบ่องไวไม่อืดอาดเฉยแช่เฉมเบอ้อแต่เป็นคนที่บ่องไวขยันขันแข็งในการทำงานนี่ก็เรียกว่าเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนที่ดี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 คนที่สร้างบ้านเหมือนกับหนูที่กุดรูส่วนหนูที่มาอยู่นั่นก็คือผู้ที่เห็นตามมริยาศษสีสามารถทําความเข้าใจในเรื่องทุกสมุทัยนิโรธมักให้เกิดขึ้นในใจได้มีสัมมาทิฏฐิชนิดที่แท้จริงเนั่ยนี่คือเปรียบเหมือนกับหนูที่อยู่ที่ไม่อยู่ก็คือไม่เข้าใจเรื่องมริยาศษสีขุดไว้ทําสร้างบ้านเอาไว้แต่ถึงเวลาอยู่ไปไหนก็ไม่รู้ไม่ได้อยู่ก็เหมือนกับคนที่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 ที่มันอยู่ในเรือนหรือในรูของมันและอีกประเภทหนึ่งก็คือทั้งขุดด้วยตัวเองขุดด้วยตัวเองก็อยู่ด้วยอันนี้ก็คือมีการเล่าเรียนด้วยมีการเล่าเรียนทําต่างๆใคร่ครวนด้วยความคิดโดยสมองแล้วก็ทําความรู้ความเรียนนั้นให้เกิดขึ้นเข้าใจในแง่มุมของเรียสสิเกิดขึ้นในใจได้อันนี้คือทั้งขุดและทั้งอยู่ทั้งสร้างและทั้งอยู่อย่าเลยทํคหว่างอย่าให้เป็นแบบที่ไม่ขุดด้วยแล้วก็ไม่อยู่ด้วย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 อะไรต่างเหล่านี้อันนี้ดีแต่ยังไม่ใช่สังโคหรือหมู่ที่ปฏิบัติดีหรอกถ้าบอกว่ายังหวังเรื่องอะไรที่มันจะไม่ใช่เป็นไปเพื่อการกําจัดกิเลสไม่ใช่เป็นไปเพื่ออสวะอันนั้นก็ไม่เรียกสังโคอันนั้นเรียกสังโยชน์ยังมีเครื่องร้อยรัดยังมีเครื่องเริงรัดในการที่จะยังไม่ละกิเลสอ่ะอย่างเช่นว่าต้องการได้ฤทธ์ต้องการเห็นมีหูทิพตาทิพอันนั้นก็ยังไม่เรียกสังโคอันนั้นเรีกสังโยชน์มีเครื่องร้อยรัดอยู่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 นนในใจนั้นไม่มีธรรมะและเป็นอาธรรมมีความปฏิบัติแบบรูปๆคําๆสังโยชน์เครื่องร้อยรัดงงๆมืนๆกลัวไม่มีปัญญาไปเป็นลักษณะนั้นอยู่ในใจแต่ถ้าเป็นบุคคลที่เป็นหมู่ผู้ฟังคําสอนของพุท ธ, ธะที่ปฏิบัติดีแล้วจะมีธรรมเป็นยอดทงมีธรรมเป็นอธิ ป, ปไตยคือมีธรรมะเป็นใหญ่เอาธรรมะเป็นใหญ่ในการที่จะให้มีการทําจริงแ น, แน่ๆจริงมีความมั่นใจในการปฏิบัติ มีความมั่นใจในข้อมูลที่รับมาคือธรรมะมีความมั่นใจในผู้ที่ทําเป็นตัวอย่างแล้วคือพุท ธ, ธะมีการโยนิโสโมนสิการมีความอดทนมีความไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากเป็นผู้ที่ทําแล้วก็พูดดีจ้ะรู้ทําเป็นเรื่องออกจากทุกอันนี้ชี้ว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนที่ปฏิบัติแล้วคือสุปฏิปันโนภะกวะโตสาหะกัสังโขฟังแล้วมันซึง้งตามหวัง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 เขายังมีการทำความดีมีการทำสังคายนาหต่สวนไล่เรียงเรื่องราวที่เป็นคำสอนให้มันอยู่อย่างถูกต้องหลายที่ที่เขาทำเมื่อทศวรรษที่แล้วนี่มันก็มาจากเมื่อศตวตรรษที่แล้วนั่นล่ะที่มีการทำความดีตรงนั้นนิดต ร, นตรงนี้หน่อยทำเป็นหมู่ทำเป็นกลุ่มทำเป็นก้อนมากก็ตามน้อยก็ตามน้อยก็ทำมากก็ทำขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำทำแล้วมันดีความดีความงามที่สืบทอดกันมาเป็นทอดเป็นทอด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 ไม่ใช่มีแค่ร้อยเดียวไม่ใช่แค่สองร้อยไม่ใช่แค่สามร้อยไม่ใช่แค่ห้าร้อยแต่มีกว่านั้นมากหนะักที่ทําความดีตรงฟังอย่าท้อแท้ ท, ท้อถอยอย่าหมดกําลังใจเพราะอะไรคนทําดีเขามีร่องรอยอยู่ที่ไหนก็เนี่ยทุกวันนี้คุณได้ยินได้ฟังธรรมะไหมละ่ะก็มันมาจากเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ยังมีคนทําความดีอยู่วันนี้ยังมีคนทำความดีอยู่พรุ่งนี้เราต้องได้ยินธรรมะ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 ต่อให้เราไม่ได้ยินรับรู้สิ่งภายนอกใดๆก็ตามใจที่ดีมีความสว่างมีความงดงามอยู่อย่างนี้คนรอบข้างก็ได้ประโยชน์แน่นอนคนรอบข้างจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนในหมู่คณะก็จะได้รับประโยชน์จากจิตใจที่มีความสว่างความดีความงามตรงนี้ให้มั่นใจเถิดจำบังวันว่าในโลกนี้ถ้าไม่มีใครทำความดีอยู่เลยเทวดาเขาก็ยังทากันธรรมะคาสอนอันพระผู้มีพระภาาประกาศไว้ดีแล้วเนี่ย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 รู้จักไคร Biology, ควรวินิจฉัยว่าอะไรเป็นความสุขที่ควรเสพอะไรเป็นความสุขที่ไม่ควรเสพแล้วก็ไม่เสพความสุขที่ไม่ควรเสพมาเสพความสุขที่ควรเสพควรทำนึ่งศาลอย่างเงี้ยนะผู้วิพากษาลเนี่ยเขาต้องวินิจฉัยคดีอะไรผิดอะไรถูกผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกแต่คนที่เป็นอย่างนี้นั่นคือเป็นคนตรงๆงเนี่ยเป็นผู้ที่วินิจฉัยได้อย่างดีเราก็เป็นคนตรงตรงเนี่แหละวินิจฉัยเห็นแล้วมันดี อย่าทำเบี้ยวเบียวอย่าทำบิดบิดอันนั้นมันทำแบบรูปรูกลมกล่อ ม, มทำแบบงงงบนเหมือนแต่ให้ทำจริงแน่แน่จริงโยนิโสมานสิการใครครวรยังเป็นธรรมมีธรรมเป็นอธิปไตยมีธรรมเป็นยอดโถงปฏิบัติให้ดีปฏิบัติให้ชอบปฏิบัติดีแล้วแน่นอนเดิมวังแต่เราจะเป็นผู้ที่ได้รับผลแห่งการปฏิบัติผลแห่งการปฏิบัติชนิดที่เรียกว่าไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าบุคคลที่ว่ามีจิตใจแบบนี้จะมีความที่เพ่งอยู่ใน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 ยังคงอยู่นะช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นโปรโมชั่นมาสองพันกว่าปีแล้วไม่รู้จะหมดเมื่อไหร่อย่าให้เราเป็นบุรุษคนสุดท้ายในธรรมะวินัยนี้เลยเราทำได้เป็นสังโคสังโคสังโคได้จริมพอ